พระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มักน้อยในอธิคมแต่ขณะเดียวกันพระอริยะไม่เคยตรนีในมรรคผลเลยท่านอยากให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยได้รับการบรรลุมรรคผลเช่นนั้นเนี่ยนะอย่างที่อุบาลีครึหบดีเนี่ยนะสู่ต่อไปเขาบอกว่าพอบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากลับใจจากปุตุชนเป็นพระอริยเจ้าสําเร็จใช่ไหม กลับใจจากภาวะปุตตชนกลายเป็นพระโสดาบันเสร็จพระองค์กอ็อุบาลีก็ถูกอาจารย์เก่าก็บอกว่าเขามาเราบอกว่ า, า, า, ววาท่านถูกมนกลับใจไปแล้วหรือก็บอกโอ้ยมนกลับใจนี้ดีนักแหล่ครพระเจ้าอยากให้ญาติสาโลหิตทุกคนเนี่ยนะได้รับมนกลับใจอันนี้กันทุกคนเพราะมนกลับใจนี้ดีนักแหลเอากลับจากปุตตชนเป็นพระรยามดีขนาดไหนใช่ไหม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 ละความปรารถนาเกินขอบเขตละความปรารถนาลามกละความเป็นผู้มักมากอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยอันนี้คือคุณสมบัติของพระปุณณมันตานีบุทรพระปุณณมันตานีบุตรไม่มีการปรารถนาเกินขอบเขตไม่มีความปรารถนาลามกไม่มีความมักมากเพราะเป็นผู้มักน้อยด้วยคุณธรรมอันบริสุทธิ์คืออะโลภะอันเป็นปฏิปักตอก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 โลภะฆ่าศึกต่อโลภะศัตรูของโลภะพระปุณณะมันตานีบุตรอยู่ในฐานะผู้ที่เป็นจิตของท่านเนี่ยเป็นค่าศึกต่อโลภะท่านมองว่าโลภะที่ที่มีหรือจะมีเป็นค่าศึกและเป็นศัตรูท่านเป็นดำรงอยู่ในฐานะผู้กำจัดโลภะเนี่ยนะเรียกว่ามักน้อยตัวมักน้อยจริงๆเป็นชื่อของอโลภะอะโลภะมีอุปการะคุณหรือไม่มี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 ไม่ได้โง่เลยเนี่ยนะกลับตรงกันข้ามเป็นคนที่มีปัญญามากรู้ว่าถ้ามีแต่ละสิ่งแล้วผลลัพธ์ตามมาเนี่คืออะไรคยกว่ารู้รู้รู้มากเลยนะมีปัญญามากอะ่ะมีปัญญาจนไม่รู้จะเอามาทำไมนเนน่เข้าใจเลยว่าเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วในที่สุดแล้วมีเพื่อประโยชน์แกอะไรก็เลยดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่ไม่ ไม่โลคเนี่ยนะไม่ใช่โง่เขาเลาเบาบัญญัติแล้วก็บอกโอ้ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยนะพอดีนึกขี้เกียจหาวขึ้นมาขี้เกียจแล้วบอกโอ้ยมักน้อยดีกว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าตรงนี้แหละที่ที่ธรรมะคาว่ามักน้อยมีอยู่ยุคหนึ่งรัฐบาลออกมามารณรงค์ว่าพระพิสุอยาสอนเรื่องมักน้อยเลยเนี่ยนะเพราะอะไรทําให้เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองไม่ดี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 นะมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีแล้วก็ปรารบความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยสม า, ธ, ญญามธิบริบูรณ์ด้วยปัญญาบริบูรณ์ด้วยวิมุตติบริบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะจะตามด้วยคุณธรรมอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเนี่ยนะตามด้วยการบรรลุมรรคผลต่อไปไม่ใช่ว่าเออก็คลุกคลีเกลือกกล้วอยู่กับบาปอกุโสลธรรมแล้วบอกว่าเป็นคนที่มักน้อยเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยนะ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 คิดอย่างนี้มันเป็นบาปถ้าละบาปอย่างนี้มันมีคุณอย่างไรถ้าเกลือเกลื่อยู่กับบาปอากุโสลธรรมเหล่านี้มันมีโทษอย่างไรคือท่านสามารถแสดงให้ฟังได้นะขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะบอกให้พระพิสุนเนี่ยสมาทานประพฤติในความเป็นผู้มากน้อยท่านใช้คำว่าสมาท า, า, านสมาทานศีลสมาทานว่าสมาทานว่างไง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 มีประโยชน์พระองค์บอกว่าถ้าศึกษาพระธรรมควรตั้งใจในการศึกษาในลักษณะนั้นศึกษาเพื่อเจริญกถาวัตถุสิทธศึกษาเพื่อเจริญศิกขาสามถ้าย่อลงมานะ้กถาวัตถุสิก็คือศิกขาสามอาธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเดียวข้างหน้าต่อไปจะสรุปให้ฟังว่าศีนสมาธิปัญญาเนี่ยแหละคือกถาวัตถุสิทเนี่ยนะก็อะไรเป็นอยู่ในกลุ่มไหนเท่านั้นเองในข้อต่อไปเนี่ยนะว่า สันตุทะเนี่ยนะสันตุโถก็คือเป็นผู้ที่สันโดดเนี่ยนะพระปุณณะเป็นผู้ที่มีความสันโดดขณะเดียวกันท่านก็สอนให้คนอื่นสันโดดและสันโดดเป็นอย่างไรสันโดดนั้นก็บอกหมายคาว่าประกอบด้วยความสันโดดอยู่ในปัจจัยตามมีตามได้นนะคำว่าตามมีตามได้เนี่ยเห็นไหมบอกว่าถ้าคนที่ไม่ตามมีตามได้นะได้อาหารมาเต็มโตะแล้วร้เครียดเลยนะ มันน่าจะมีอันโน้นมันน่าจะมีอันนี้เป็นต้นเนี่ยคืคื อ, ค, อคือในเวลาอันนั้นน่ยมันมันมีอยู่เท่านี้จริงๆมันทําอะไรไม่ได้แล้วละ่ะแล้วมาเอะอะโวยวายในตอนหลังเนี่ยทั้งทั้งที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมาเดือดร้อนในตอนหลังอันอย่างนั้นะ เ, เรียกว่าไม่สันโดษเนี่ยนะไม่สันโดษแต่ไม่ใช่ว่าโง่เขลาเบาปัญญาแล้วไม่มีจะกินก็บอกโอ้ยกินข้าวอะไรนะอันนัได้มันิดเดียวก็ต้มพอแค่เนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเนี่ยเรียกว่าสันโดษอันนี้ไม่ใช่นะ นั้นคำว่าสันโดดหมายคำว่าเช่นตัวเองเนี่ยเช่นมีเสื้อผ้าตอนเนี้ยจะนุ่งเสื้อแบบไหนก็นุ่งตามที่มันมีอยู่มันไม่ใช่ไปร้องให้ในสิ่งหาสิ่งที่ไม่มีเนี่ยในขณะนั้นไม่ใช่ไปเดือดร้อนในสิ่งที่ไม่ไม่มีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าสันโดดเนี่ยนะทีนี้ถ้าปรารถนาที่จะมีสิ่งเหล่านั้นก็ต้องไปดูว่าประโยชคะเป็นต้นอ่ะจะเป็นปัจจัยให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นไหมคําว่าสันโดดเนี่ยไอสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็พอใจ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 อู้อ่านพระไตรปิฎกอยู่งี้อู้ทํานพระไตรปิฎกของเรานะถ้าตัวหนังสือมันโตกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็คือก็เลยไม่ได้อ่านอะไรมานั่งคิดเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่สันโดษแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคําว่าสันโดษคือใช้ของที่มีอยู่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่เดือดร้อนใจนั่นแหละเรียกว่าสันโดษเมือสันโดษท่านบอกว่ามีสิบสองอย่างเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยนะ ก, ก็ปัจจัยมีสี่ใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มคือจีวร อาหารที่อยู่อาศัยย่ารักษาโรคเนี่ยนะนะทีนี้ตัวสันโดษมีย่อๆเลยมีสามอย่างหนึ่งยะถาลาพระสันโดษตามได้ละลาบเนี่ยแปลว่าได้ยถาแปลว่าตามเรียกว่าสันโดษตามได้สองยถาพระสันโดษสันโดษตามกําลังพระเนี่ยนะสารุปยถาสารุปปะสันโดษสารูปหรือว่าความสมควรก็ได้เรียกว่าสันโดษตามสมควรเนี่ยนะนะตามสารูป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 ไปที่ร้านนร้านหนึ่งก็เย็บผ้ามาให้ดูมันหนาน้ําหนักตั้งหลายกิโลเนี่ยนะมันนึกในใจโอ้ถ้าเอามาหฮมเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนเนี่ยแล้วถ้าเกิดฝนตกเปียกจีวรเนี่โอ้โหเดือดร้อนแน่ครั้งนี้เนี่ยนะบอกใครถวายก็ไม่คิดว่าคงไม่เอาหรอกว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าดูท่าแล้วจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สปายะแล้วว่างั้นเถอะไม่พละแล้วเนี่ยนะแบกไม่ไหวหรอกเนี่ยนะ